ท่านผูป้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านโดยเฉพาะพระประจอและกอบครมโยชามาไทยในอุม า, า, าโสธิการทุกๆท่นานได้จ้างใจมาบำเพ็งกุศลจ้างใจมาสร้างบุญให้เกิดวัฒนาสร้างผลงานให้เกิดชีวิต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 อย่างนั้นไสยชามว่าดังเขาพิยามมนีมนเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาเป็นอิสลามไปชาที่นันคนงานต่างๆบอกหลวงพอเจ้านายพมเม็อิสลามเละเป็นประทานพิธีวันนี้ด้วยสูบทูกเทียนบูชาพระลาตายแล้วก็เริ่มตั้งนโมพร้อมกันเ ล, ะละียวรัตนาศีลด้วยเ้็นด้วย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 มีหลายฝ่ายด้วยกันเขาบอกผมยอมรับกฎแห่งกรรมครับผมก็เป็นอิสลามพว้นี้เป็นคริสมาตั้งแต่ปูย่ย่าตายายของเขาเขาก็จำเป็ น, นมาถือศีลเรื่องมาจนบบบนี้เนี่ยแต่เขามาฟังการบรรยายของเราแล้วก็อา่านหนังสือกฎแห่งกรรมเขาก็ไปปฏิบัติตาม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 ปริญาโทวิศวกรก็รงงานแล้วก็เก่งทางวิทยาศาสตร์สมเด็จต่างต่างประเทศหน้าบอกหลวงพ่อครับผมไม่เคยเชื่อโ ก, กดังตามเลยทางหลักศากสักดิ์นาพุทธสอนว่าทำดีได้ดีชั้นชั่วได้ชั่วทำกรรมก็ได้รับกรรม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 บอกว่าสามีที่เมาวันนี้เขาก็เล่าเจ้าชู้ด้วยเมาเนื้อใต้เลยแล้วแถนตีเขาเมาเขามาตีเขาโยมผู้หญิงเล่าบอกว่าพ่อคะ ห, หนูก็เดี๋ยวดูทีวีที่หลวงพ่อพูดหนูก็ไปสวดมนต์แล้วก็แผ่สมบุกสนให้สามี จะไปยังไงก็ไม่ว่ากันละไม่เคยเถียงกันต่อไปเลิ่เถียงเริ่เถียงสามีย่าสวดพุทธคุณเทายุเกินหนึ่งวันนี้เขาไล่ฟังมีพยานหลักฐานแล้วก็สวดฟ้าห้งมาตาหนูท่องไม่ได้แล้วก็อ่านตาําราบัดนี้ท่องได้ท่องให้มันดังคล่องปากแล้วมันคล่องใจคร่องใจทิงจะเกิดสมาธิ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 พขก็เตะเขาก็ตอกแต่หนูก็ชูไม่ได้หนูดีปากเขาดีมือกระเท้าหมูด่าเขาทีไรเขาก็เตะทุกทีเลยเราก็เลิกด่าขอเจริญนพรการด่าการว่าไม่เป็นเรื่องดีเลยมันยังมีบุตรธิดาไปว่ากล่าวลูกนสงเสราสมจะพ่อแม่บาปบ่นลูกจูจดีระวัง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 อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ได้คิดการเจริญกุศลภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นทานศินะภาวนาการบริจาคทานนี้เนี่ยใครก็ทำได้เขียสลาให้เพื่อนได้แต่เสียสลาไปทางดีหรือทางชั่วมีสองประการนั้นถ้าเรามีสติสั้ชชัญญามีสิงควบคุมจิตให้การทำทาน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 เราก็เอากายไปช่วยเขาเอาจิตใจไปช่วยก็ได้เขามีงานสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศลทํางานส่วนรวมด้วยกันนะฮะเราก็สามารถช่วยได้ด้วยกาลังแรงงานกําลังแรงใจกําลังทรัพย์ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีจริงๆและเอากําลังใจช่วยการสาธุอนโมธนาตามหลักพระพุทธศาสานา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 ไม่ทั้งจะตกประจัยเยียทานครบถ้วนขบวนการเป็นกฎแห่งตามอันหนึ่งทีลาจะต้องได้ทีพพึ่งทางใจติดตัวไปจูชั้ประลเอียดพบางคนทาไม่ได้นึกเปรกลองอะไรทําไปโดยหาเหตุผลไม่ได้เลยก็ไม่ได้บุญแต่กุทรอนเลยก็ได้สิ่งที่มันไร้สาระติดตัวไปไม่เงินมีทองก็ไม่รู้จัดจะใช้ เพราะไม่มีปัญญาใช้เงินใช้เงินไม่เป็นเลยก็กลายไปคนโซลุ่ยซูล่าจ่ายไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ลาเสียวเวลาตามที่หามาด้ความยากหามาด้ความลาบากแลวจ่ายไปโดยลาเหตุผล น, นี่อย่างนี้มีส่วนจานวนมากมิใช่น้อยอีกประการหนึ่งแต่ขอเจริญพรท่างหลายอีกวาระหนึ่งด้วยเหการททำบุญทุนทาน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 ได้หึงหวงขอสารย่าโยมผู้หญิงปรเดิมมาตกไปหิงต้องหวงเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเสียลมั่งมได้ยังไงลาให้เาไปบ้างสิเวนดอนถ้าอย่างเสียสลมัีได้นไมโยมเสียสลสามีไม่ได้ชตมาถามพวกกรรมฐานหลายคนอ๋อเสียสลได้ข้า ต่อไปนี้ฉันจะไม่หึงแล้วฉันจะไม่หวงแล้วจ้าจริงเหรอจริงจ้าแต่อย่ามาควงให้ฉันเห็นมาควงทำไมมาควงแล้วมันทำให้แน่นนะอกพลอกอยู่ในใจนิยงผู้หญิงที่มักเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรฮะยมผู้หญิงไม่รู้เรื่องอะไรฮะเลยวันนี้เขาเล่าให้เราฟัง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 แผ่เมตตาให้สามมีไปอยู่ก็อยู่คนนั้นให้คนนั้นมีความสุขด้วยทำได้ไหมฮะได้แน่นะแม่ผู้ไม่ตลงทำได้แน่ก็แบบยาตะที่นี่นะโอ้ฉันตรงตกแล้วไม่หึงไม่หวงจะมาควงเห็นสินะสมมาไ ม, ยยมไม่เชื่อโยมผู้หญิงหรอกไม่เชื่อนี่ไง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 เลยแต่มาก็จำไม่ค่อยได้แล้วอันนี้ก็เรื่องจริงตายเป็นเรื่องของควา ม, มคิดของคนเปเรื่องธรรมดาโยมต้องคิดหันีกลับสิ่งที่เขาชอบการ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 ถ้าเรามาเจริญกุศลภาวนาแต้ไขโกรธแห่งกรรมจากการกระทำของเราได้โดยไม่อยากนะัก น, นี่มันอยู่ในเหตุผลข้อเท็จจริงสำคัญเราไม่่คยเจริญกรรมาฐานด้วยจิตใจจริงแปฏิบัติในการแผ่มเมตตาตัวนี้เนี่ยทำได้โดยไม่อยากนักเรียกว่าสื่อการสอนที่ดีที่สุดชีวิตจะไม่ล่มเหลวแน่เรามาทำงานกะทุกวัดทุกวันนี้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 บอกว่าหนูโปรงตกแล้วลงพ่อเลย ท, ที่อ่างทองเหนือป่าโมกเนี่ยแม่ให้ไว้ที่ต้องหลายไลย่นี่จะเต็มหกสิบหรือ7จิบไล่ไม่ใช่แลวอยู่ที่ดีด้วยใกล้ถนนด้วยขายก็ได้เหลือที่เหลือใช้ตัดสินใจโปรงตกแล้วก็ดีใจจิตใจก็เข้มแข็งมีอำ น, นาจขึ้นเลยก็ปรงตกคืนต่อไป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 แม่ให้ไว้ที่ตำแหน่งของยายยายให้แม่แม่ก่อนตายก็ให้ลูกคนนี้ไว้ขายได้แน่นอนเลยก็ปรงตกไ้ว่าจะขายที่ใช่นี่เขาเลยพอดีกำลังใจมันยังตกอยู่การสอบสวนที่อธิบดีสร้างกรรมการสอบสวนขอเจ้ากรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ทั้งหมดบาทนาย บอกว่าคนนี้ไม่มีผิดและกัองา น, นการก็เรียบร้อยไม่เป็นความจริงที่กล่าวหาแต่ประธานได้เลยก็กลับร้ายกจายดีขึ้นเลยก็กล่าวทังสองคนสามีภรรยาหนีไปอยู่เชียงใหม่หนีไปอยู่เชียงใหม่ก็ไปราบจ้างทำาสวนของเจ้าณเชียงใหม่ สองคนสามมีภร right? รยาเพราะไม่รู้จะไปหาใครได้แลวไปหาเพื่อนเพื่อนก็เหลียวหลังให้พอจะแล้วไอ้คนตกอาบเนี่ยหมดบุญวาสนาเนี่ยไฟหมดมอดมอตอรมตรี่หมดไฟแล้วเปิดไฟไม่อยู่มันก็ไปไม่รู้จะไปผึ่งคลายเหมือนรถต้องสายตูดหยุดแล้วก็ต้องสายไม่งั้นมันไม่ติดแบบนั้น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 เรื่องจริงที่ลบลีพระทาหารไปลุกเสกทีวัน้เรารู้บอกว่าคุณเห็นจะเป็นโนพลไม่ได้เองนะพระเหตุอย่างกล่าวมาเขาก้อนตาปิดจริงบอกหลวงพ่อเลยลูกน้องผมเป็นโนพลหมดแล้วผมยังไม่หยุดเป็นเลยเลยก็เปลือกเสียงแค่พันเหนอพิเศษเท่านั้นนี่แหละแม่บ้านไม่ดีไปอย่างนั้นจริงๆขอเจริญพรบอกญาติโยมเลย บางคนก็ภรรยาประถมสีนัญญาประถมสีได้สามีเป็นร้อยโทแต่งงานกันที่เชียงใหม่ภรรยาประถมสเมีเนี่ยคนเชียงใหม่นะเรามาเจริญกรรมฐ า, า, านที่นี่เป็นเวลานานตั้งแต่สองพันห้าร้อยแล้วตามาก็สอนเขามีสติปัญญาดีเลยก็คิดว่าสามีเนี่ย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 แล้บอกโยมเราเอาอย่างนี้ชิเอาอย่างนี้นะสวดพุทธคุณประธานมคุณปางอมตาและเจริญสมาธิบําเพ็ญจิตกภาวนาแล้วแผ่เมตตาครับให้เจ้ากรำมนเวรในาชาติก่อนเราเคยไปโกงเข้ามาก็ให้มันหมดไปเถอะในชาตินี้เราไม่ได้โกงใครแเมื่อก่อนไม่เคยโกงใครเข้ามานะมันอาจจะกลับมาตามเดิม